ละลานคนอื่นก็เบียดเบียนคนอื่นก็มาทั่วเลยแล้วก็เลยมาชนะชาตินั้นมาชนะชาตินี้ไอ้อย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ชาตินิยมแบบโลกุตระถ้าเป็นชาตินิยมแบบโลกิยะถ้าอย่างนี้อนะเพราะฉนั้นเนี่ยผู้ไทฟังในลักษณะของชาตินิยมนะวัดทั่วๆไปเนี่ยธรรมดาคนเรามากกักจะชาตินิยมอยู่หรือพูดง่ายๆมันยังมีกิเลส ต, ตัวเนี้ยอยู่คืออย่างนี้ นะถ้าถ้าเราไปเจออย่างเงี้ยฝรั่งทะเลาะคนไทยแล้วเราเข้าข้างคนไทยไว้ก่อนโดยที่เรายังไม่รู้เหตุผลนะไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยคือลักษณะชาตินิยมแบบโลกโลกหรือไม่รู้ละใครจะผิดใครจะถูกไงก็ช่างนหละแต่ถือว่าคนไทยด้วยกันก็เอาคนไทยไว้ก่อนเป็นอย่างเงี้ยมากเลยเขาไม่ได้คานึงถึงเหตุผลหรือว่าความถูกต้องหรือว่าธรรมะอะไรแต่เขาเอาว่านี่ยังเห็นไหมเป็นเชื้อสายเป็นเผ่าพันธุ์ อนี่อยู่ประเทศเดียวกันเขาเอาตกแท่ตรงนี้ก่อนส่วนเรื่องสัจธรรมทีหลังทีหลังแต่ถ้าเป็นโลกุตละนี่ไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงเลยนะต่อให้คนทะเลาะ ก, กับหมาก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่คนคนที่ชื่อหมานะ่ะคือคือเอาคนทะเลาะ ก, กับสุนัขเนี่ยอถือว่าคนเนี่ยทะเลาะ ก, กับสุนัขถ้าสมมติว่าคุณเองคุณไม่ติดแบบ <pouch. S 2> แบบชาตินิยมนะคุณไม่ติดแบบว่าเฮ้ยเราต้องเข้าข้างชาติคนก่อนไปเข้าข้างชาติหมาะสมมุตินะถ้าคุณไม่ติดนะอ่าคุณก็เอมันใครผิดใครถูกยังไงวันเนี่ยสมมตินะถ้ามันทะเลาะกันอย่างเงี้ยถ้าสมมุติคุณพอจะรู้ได้คุณก็เอมันต้องเอาสิว่าอะไรถูกกันแน่คนมันผิดหรือว่าหมามันผิดกันแน่หรือว่าหมามันไม่ดีกันแน่อ่าคุณจะยังไม่ไม่ไม่เข้าข้างใคร แต่คุณจะเข้าข้างความถูกต้องถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ี่หมาไม่ได้ผิดอะไรเลยมันก็นอนมันอยู่ดีดีคนก็ไปเตะมันอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยโกรธขึ้นมามันก็เลยจะมากัดคนนะนะอ่าไอ้อย่างนี้เรารู้อยู่เลยว่าไอ้อย่างนี้คนมันไม่ถูกเนี่ยไอ้ชาติคนนี่มันผิดเนี่ยชาติหมานี่มันถูกต่างหากล่ะถ้าถ้าคุณไม่ติดนะเนี่ยคุณไม่ติดมิตินี้ไม่ติดแบบโลกโลกแลคุณก็จะไม่ไม่แบบว่าไม่ไปเข้าข้างชาติคน คุณจะคข้า ง, งชาติสุนัขมากกว่าเนี่ย ถ, ถ, ถ้าเราเราเราชัดประเด็นแต่ถ้าใครเนี่ยยึดแบบโลกโร ก, โกอย่างที่อาตมาบอกคุณก็ไม่รู้ละเราช่วยคนไปก่อนหมาเหมือนนี่ช่างหัวมันเห็นไมมคนโลคโรคส่วนใหญ่เอาแค่อย่างนี้แหละยังไงเอาคนไปก่อนส่วนสัตว์อื่นเนี่ยถูกต้องไม่ถูกต้องถือว่าต้องทีหลังอย่างเดียว เหตุนี้แหละก็เลยทําให้คนเนี่ยชอบหลงตัวเองแล้วก็คิดว่าสัตว์นี่เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นที่รองรับของคนหรือคนเราจะฆ่าสัตว์หรือจะกินสัตว์อื่นๆไม่รู้สึกอะไรเพราะถือว่าชาติคนเป็นใหญ่ชาติของสัตว์อื่นๆ น, นี่ไม่สําคัญเนี่ยเ น, น, น, นี่คือแบบโลกโลกวันเขาจะไม่เมตตาก็าจะไม่ไปสงสารนี่หมายถึงว่าคนที่มีความคิดอย่างนี้นะ พันพวกนี้เนี่ยจะฆ่าสาัตว์ตชีวิตนะ่าจะกินเนื้อสัตว์จะอะไรเขาเฉยเพราะเขาถือว่าสิ่งเหล่านี้เกิดมาเพื่อเพื่อชาติคนเออคนเนื้อกว่าทุกอย่างนี่นะเนี่ยเนี่ยคือจิตวิญญาณของชาตินิยมแบบแบบโลกีซึ่งต่างจากโลคุติละนะเอา อ, อ, อ, อธิบายให้ฟังไปละอันนี้อย่างที่หกสากรนิยม หรือจักรกวาลนิยมแม่อัตมาก็คิดไม่ถึงเลยนะพ่อท่านจะใช้แบบจักรวาลนิยมสากลนิยมนี่เรายังพอเข้าใจนะว่าเออมันเป็นสากล น, นะคำนี่เราพูดกันบ่อยว่ามันกว้างๆนะคราวนี้เนี่ยไม่เกี่ยงเชื้อชาติคราวนี้เห็นคนไทยทะเลาะ ก, กับฝรั่งเราไม่เข้าข้างอะ่ะไม่ไม่เข้าข้างว่าต้องเป็นไทยด้วยกันนะไม่ถ้าคนไทยคนนั้นทําไม่ถูกต้อง ฝรั่งทําได้ดีกว่าทําทําถูกต้องกว่าเราก็จะเข้าข้างฝรั่งแหะหือเราไม่เกี่ยงเรื่องเชื้อชาติเน่ยไม่เกี่ยงตรงนั้นเราเรามีใจที่กว้างขึ้นกว่านั้นมีใจที่เป็นกลางมากกว่านั้นแหละไม่ใช่มีใจแบบคับแคบเอาแต่เชื้อสายเผ่าพันธุ์เท่านั้นไม่ได้เอาแค่นั้นมันเขาจะเป็นจีนไทยฝรั่งอะไรไม่เกี่ยงเพราะอันนี้อยากจะกว้างขึ้น จะช่วยเหลือเกื้อกูลก็ตามก็ไม่เกี่ยงว่าจะเป็นคนไทยนะเราช่วยพลังมังค่าอินเดียจีนญี่ปุ่นอะไรเราช่วยได้ทั้งนั้นนี่เป็นเป็นจิต ท, ที่เริ่มเผื่อแผ่มากขึ้นนะในในมิติที่หกซึ่งจะถึงมิตินี้เนี่ยโอ้โหไม่ง่ายเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยยังเก่งจะมาคาค้างอยู่มิติที่ห้าจะขึ้นมิติที่หกนี่ยาก บอกได้เลยว่าอุปทานประสบการณ์ชีวิตการที่เรากว่าจะโตขึ้นมาเนี่ยคือมันสั่งสมความเป็นชาติของเราเองอย่างเช่นถ้าเราคิดว่าเราเป็นชาติไทยเนี่ยนะเราก็จะสั่งสมยึดอยู่แต่ว่าเราเป็นชาติไทยเราเป็นชาติไทยแล้วโดยเฉพาะไอ้สภาพต่างๆในชีวิตเราเนี่ยมันมักจะเน้นให้เรายึดชาติของเราชาติของเรา อย่างกีฬาเนี่ยจัดกันแข่งขึ้นมาเขาบอกว่าเพื่อความสามัคคีเอาสมมุติว่าฟุตบอลระหว่างอโอลิมปิกอย่างเงี้ยชาตินั้นชาตินี้เนี่ยมีแม่คุณไปเชียร์ชาติอื่นถ้าคุณขึ้นไปเชียร์ชาติอื่นนะโดนโดนคุณต้องเชียร์ชาติไทยเท่านั้นคุณอย่าไปเชียร์ชาติอื่นนะแต่นี้มันบอกกัน้านี้แบบโลกโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะติ่งหยาดอยู่ที่ตรงนี้จะไม่มีใจที่กว้างพอ แต่ว่าไอ้เรื่องกีฬามันก็เป็นอย่างนั้นนะก็เป็นแบบโลกโลกเป็นแบบโล ก, กีแต่คราวนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องของกีฬานะเป็นเรื่องของมนุษยธรรมมนุษยชนเรื่องของความถูกต้องต่างๆเนี่ยอาตมาว่าถ้าพูดประเด็นนี้คนจะมีใจกว้างได้ง่ายขึ้นกว่าเรื่องกีฬาเรื่องกีฬาเนี่ยเป็นตัวสั่งสมจิตของคนที่ให้ยึดชาติของตนแบบโลกีเนี่ยมากเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ สั่งสมให้ยึดชาตัวเองแบบชาติของกูต้องชนะชาติของมึงมันอย่างเงี้ยมันจะยึดอยู่แต่อย่างเงี้ยต้องเหนือกว่าอยู่ด้วยต้องชนะแกอยู่เรื่อยแหละแพ้ไม่ได้นะต่ำต้อยกว่าไม่ได้แต่ถ้ามาเป็นสากลนิยมหรือจักรวาลนิยมเนี่จะสลายต้องต้องต้องสลายพบตัวนั้นให้ได้แล้วมิติของจิตเนี่ยมันจะสูงขึ้นมาเราจะกว้างขึ้น เท่านี้อย่างที่บอกอะ่ะเขาจะเป็นชาวโสมไม่เป็นชาวโสงไม่เป็ญหาหรือแม้แต่เขาจะศาสนาไหนนะเขาเขาเป็นคริสตเป็นอิสลามเป็นอะไรเราไม่มีกิจที่จะไปอะไรอะ่ะไม่ยินดีไม่พอใจหรือรู้สึกว่าเฮ้ไ hey, อ้ดีมันไม่ใช่คนไ ม, ไม่อะ่ะเราจะรู้สึกเลยว่าว่าเขาก็เหมือนเราเป็นคนเราพร้อมถ้าช่วยเหลืออะไรเขาได้แล้วก็ช่วย จิตเนี่ยถึงขั้นลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นสภาวะจิตที่ไม่มีความรู้สึกเป็นศัตรูหรือว่าความไม่ยินดีความกลัวกับชาตินั้นชาตินี้หรือว่าอะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีละเป็นจิตที่กว้างบริสุทธิ์เอ่อบริสุทธิ์เป็นกลางอย่างมากขึ้นจนกระทั่งเรียกว่าถ้ายิ่งเป็นคนที่ดีมาเนี่ยคือคื อ, ค, อคือเราจะดูเป็นนามธรรมเนี่ยมากขึ้น ไอ้ส่วนลักษณะที่เป็นรูปประทรบลูปประทับไม่แต่ชื่อหรือว่าโคดหรือว่าชาติชาติไหนชาติไหนอะไรเงี้ยนะคือไอ้รูปประทับพวกเนี้มันจะโดนลดลงลดลงแต่นามธรรมที่เป็นเรื่องของคุณงามความดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยเราจะดูลักษณะอันนามธรรมเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยมากขึ้นเรื่อยมากขึเนเรยไอ้รูปประทับต่างๆที่เป็นตั้งกันขึ้นมากําหนดกันขึ้นมาไอ้พวกนี้จะโดนลดลงไปจากจิตใจเรา อย่างเงี้ยเขาถึงจะเรียกว่าคนที่ใจกว้างขึ้นนะ่าจะไม่ใจขับแคบนะอันนี้ก็พยายามอธิบายในสากลนิยมหรือจักกวาลนิยมส่วนข้อที่เจนะ็เทวนิยมหรือปารมาตมันนิยมอ่าอันนี้ก็เพิ่งเพิ่งได้ยินพ่อใช้คําว่าปารมาตมันนิยมนะซึ่งอันนี้ชัดเพราะว่าจากสากรนิยมเนี่ยเรายังเห็นลักษณะที่เป็นปรูปธรรมของ ของฆราวาสหรือของปุถุชนทั่วๆไปเนี่ยได้ได้ง่ายแต่ถ้าขึ้นมาถึงมิติที่7ซึ่งเป็นเทวนิยมหรือปรมมาตมันนิยมน่าจะเป็นพวกที่ที่จะเห็นสภาพค่อนข้างจะเป็นเหมือนกันทักบวดขึ้นมาเนีเป็นเทวเทวนิยมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นความเชื่อเห็นไหมเป็นแบบเป็นแบบมีนามธรรมเข้าไปเนี่ยมากขึ้นเลย จนกระทั่งกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นความเชื่อถือเป็นความศรัทธาจนกระทั่งเชื่อซื้อเชื่อถือศรัทธาจนกระทั่งเป็นรูปร่างเป็นตัวตนปั้นเป็นรูปนิมิตปั้นเป็นเทวรูปหรือจะปั้นเป็นพระพุทธรูปก็แล้วแต่ละนะอันนี้จะเป็นลักษณะของเทวนิยมถ้าเป็นปุถุชนนะเทวนิยมของปุถุชนฟังให้ดีเทวนิยมของปุถุชนเนี่ย จะเป็นแท่งเป็นก้อนสามารถจับแตะต้องได้อ่ากูจะเป็นก้อนหินกูจะเป็นท่อนไม้แกะสลักหรือกูจะเป็นอะไรอ่ะต้นไม้จอมปวกได้ทั้งนั้นที่จะเป็นเทวนิยมคือเป็นความศรัทธาเป็นความเชื่อถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่จะดนบันดาลหรือเป็นสิ่งที่จะช่วยเราได้อะไรก็แล้วแต่อันเนี้ย จะเป็นรูปร่างเป็นตัวตนสำหรับพวกปุถุชนน่าจะมีมีอัตตาเนี่ยเป็นเป็นตัวตนเป็นแท่งก้อนแต่ถ้าเป็นเทวนิยมแบบประเภทชนิดที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอรูปคือไม่เป็นรูปแล้วเนี่ยวันพวกนี้นี่ก็ยังจะศรัทธายังจะเชื่อถือนะแต่มันไม่เป็นรูปเป็นแท่งเป็นก้อน อย่างเช่นบางคนเชื่อเรื่องผี น, นี่พูดในอีกมุมหนึง่งคุณเชื่อในเรื่องศักดิ์สิทธิ์จะเป็นพระเจ้าก็ตามนะแต่คุณไม่ได้ไปปั้นไปอะไรนะแต่คุณเชื่อว่าเนี่ยอยู่บนฟากฟ้าหรือว่ามีอะไรอะ่ะล่องลอยอยู่นั่นแหละมันไม่ได้เป็นรูปร่างไม่ได้เป็นตัวตนให้กับคุณแต่เราเชื่อว่ามีว่าเป็น นี่นีนี่พูดสูงขึ้นไปขั้นนะบอกแล้วนะไม่ใช่เป็นรูปปธรรมเท่านั้นแม้เป็นนามธรรมเพาะเนี่ยบางคนเนี่ยเชื่อบ่อยเชื่อว่าเออเนี่ยเแถวเนี้ยหรือว่าในอากาศในน้ําในอะไรต่างๆเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทั้งนั้นที่คุณก็ไม่เห็นหรอกมันมีตัวตนยังไงแต่คุณเชื่อแะอันนี้จะเป็นลักษณะของเทวนิยมนะหรือเนี่ย ปรมาตมันนิยมและเป็นอัตตายังเป็นอัตตายังเป็นตัวตนอยู่ในจิตของเราพูดถึงตรงนี้นี่อาตมานึกถึงกิเลสตัวหนึง่งเป็นอุปกิเลส ท, ที่ผู้เจ้าเนี่ยท่านมักจะใช้ว่ายังหลงหรือว่ายังติดอยากจะเป็นเทพนิกายใดยนิกายหนึ่งนั่นยังเป็นเมถุงสังโยชน์ ระดับสูงเลยที่ยังติดอันนี้อยู่ยังหลงอยู่หลงว่ายังแม้ตายเ้วเนี่ยเราทำดีหรือว่าเราไปทำบุญสุนทานเราจะพยายามประพฤติปฏิบัติตัวเพื่อที่จะให้ไปเป็นเทพนิกายใดนิกายหนึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆคนนั้นก็พยายามทำอยี่เลยนะเนี่ยพวกเนี้เป็นพวกเทวานิยมอ่าส่วนข้อแปด อริยนิยมหรือโลกุตตรนิยมคุณจะต้องมาถึงข้ อ, อข้อ8นี้คุณถึงจะพ้นอุทุชนทั้งหมดอถ้าถ้าคุณไม่มาถึงข้อ8นะคุณไม่สามารถปฏิบัติจนมาถึงข้อ8นี้ได้เนี่ยคุณจะไม่ไม่ขึ้นมาสู่<อ>กระแสหรือว่าสู่โลกุตตะระหรือกระแสสู่ความเป็นอริยะเพราะฉะนั้น เริ่มข้อ8นี้เท่านั้นที่จะเป็นบุคคลที่เข้ากระแสตั้งแต่ข้อหนึ่งมาจนถึงข้อ7ผ็ดพูดง่ายว่ายัางเป็นโลกยียชนอยู่หรืออย่างเก่งก็ได้กัลยาณชนแต่จะไม่สามารถขึ้นมาถึงอริยชนได้เลยถ้าจะเป็นอริยชนได้ต้องขึ้นมาข้อ8นะเพราะเพราะนั้นพอข้อ8เนี่ยอริยนิยมก็หมายถึงว่าเรานิยมเราชมชอบ เรามีใจที่จะปักลงไปใจที่จะภาคเพียนจะประพฤติจะกระทําในความเป็นอริยะอริยะนีกไวถึงความประเสริฐในความดีงามต่างๆแล้ว เ, เราอยากจะให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ประเสริฐขึ้นมามีจิตใจที่ดีงามขึ้นมาจะนิโนนิยมอย่างนี้นีเนี่ยหรือโลกุตระนิยมอ่าคือเหนือโลก โลกุตลาเนี่ยือเหนือโลกโลกีต่างๆนะอันนี้อาตมาได้แต่พูดคร่าวๆให้ฟังแต่จริงๆแล้วเราเองเราจะต้องรู้ละเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆ เ, เนี่ยผู้ที่จะมาถึงอริยนิยมนี่ข้อที่แปดมิติที่แปดนี่ได้ผู้นั้นจะต้องเข้ากระแสคือจะต้องได้โซดาบันเพราะฉะนั้นอาตมา ถ, ถึงบอกว่าเห็นไหมเนี่ยที่ตะ ก, กี้นี่อาตมาพูดตั้งแต่มิติที่หนึ่งที่เรื่องกางอรนิยมบอกว่า คุณอย่าไปเข้าใจการมานิยมแบบเนี้ยเหมือนกันกันกบอริยานิยมนะหรือโลกุตลานิยมทั้งๆ ท, ที่คนที่เป็นพระโสดาบันถูกไหมก็ยังยุ่งเกี่ยวบีสามีมีภรรยามีลูกเต้าอ้าวก็ยังยุ่งเกี่ยวอยู่ในเรื่องเมถุนแล้วอย่างเนี้ยโสดาบันซึ่งเข้าสู่อริยนิยมหรือโลกุตรานิยมแล้วเอาอย่างนี้จะไปเป็นได้ไง ถ้าคนไม่เข้าใจนี่นะก็จะบอกเลยว่าโสดาบันไม่มีทางโสดาบันนี่ยังมีสามีภรรยาโซโซดาบันประเภทมีครอบครัวอ่าไม่ใช่โสดาบันประเภทเป็นโสดถ้าเป็นโสดเข้าไม่สงสัยแต่ถ้าโสดาบันประเภทมีครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกเนี่ยโสดาบันประเภทนี้แสดงว่าเอา้าคนนี้นี่ต้องอยู่มิติที่หนึ่งสิจะมาอยู่มิติที่แปดไม่ได้ เพราะคนนี้ยังไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจว่ามันไม่เหมือนกันแม้ว่าจริงก็ยังมีกามอยู่นะจริงแต่มีกามอยู่เนี่ยมันมีแบบว่ามีกิเลสอยู่แต่อยู่ในโลกุจละกับมีกิเลสอยู่แต่อยู่แบบโลกียะมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นกามมันถึงจะแบบว่ามีกามสองอย่างมี ธรรมะการโม ก, นะกับมีกามแบบกามตัญหาต่างๆอืมกิเลสกามต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องศึกษาแล้วก็ต้องเข้าใจให้ดีเพราะถ้าไม่ศึกษาไม่เข้าใจให้ดีสับสนนะเอาจริงๆบางคนยังงงแล้วงงอีกงงแล้วงงอีกว่าเอ๊ะมันยังไงอ่ะมันยังไงอ่ะก็ยังมีผัวมีเมียอยู่นั่นมาเป็นโสดาบันได้ยังไงมันนังง่นน่าจะเป็นบุงงุช้น มันไม่ใช่แค่ติดมากติดน้อยนะมันจะต้องมีสัมมาทิฏฐินะแล้วก็มีความรู้มีความเข้าใจแม้แต่มีกามอย่างที่ตะกีายมาอธิบายมาตั้งแต่ต้นแล้วแม้มันมีกามเนี่ยแต่มันไม่ใช่มีกามแบบว่าเพื่อที่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจริงเขามีสามีเขามีภรรยาเขามีลูกเต้าแต่เขามีกามเนี่ยเขาไม่ใช่ไปเป็นกินเลสแบบตันหาหน้ามืด อะไรแบบอย่างนั้นบางทีมันมีไปแบบเป็นหน้าที่มีไปแบบเป็นภาระเป็นการที่จะให้มีเชื่อสายสืบต่อไปอะไรแต่มันไม่ได่มีจิตปัญญาเหมือนคนทุกวันนี้ที่มันบ้ากามเหลือเกินโอ้โหมันเมามันเพียงอย่างเดียวอะ่ะมันไม่ใช่ว่าจะไปเสพเมทัลเพราะอยากจะมีลูกเต้ามันไม่อยากมีลูกเต้าเลย มแต่มันจะเอาสนุกเอามันของมันอย่างเดียวเท่านั้นไอ้นั่นน่ยมันมันบ้า ก, กามแต่อันนี้บางทีนี่ไม่ใช่เลยเขาไม่ได้คิดจะไปเมามันอย่างนั้นด้วยเออแต่เขาคิดว่าเออเขาจะต้องบีทาญาติหรือว่าเขาจะต้องสืบต่อเอ้าเขาก็สร้างธาญาตสร้างสืบต่อมาโดยที่ไม่ใช่ไปมีกิเลสตัณหาแบบนั้นอย่างเงี้ยเนี่ยอาจารย์บาตึางอบอกว่าเออมันก็เข้าใจา ย, ยากอยู่นะแต่ถ้าเราพยายามเข้าใจาได้เนี่ย มันก็จะมีทิศทางมีแนวทางของอย่างพระโสดาบันเนี่ยก็จะเป็นไปตามนั้นแล้วก็จะค่อยๆลดลงด้วยไม่ใช่มีกาเมเพิ่มขึ้นบอกแล้วมันก็จะค่อยๆน้อยลงค่อยๆ น, น้อยลงค่อยๆน้อยลงจนในที่สุดเป็นพระสกิทาคา ม, มีก็ยิ่งกามเบาบางลงไปเรื่อยคราวนี้บางทีแม้ยังมีกิเลสกามอยู่แต่ไม่เอาเลยนะมีกู่ครองไม่เอาแล้วนะถ้าขึ้นเป็นพระสกิทาคาร ม, มีอ่า หรือว่าถือศีลแปดกนมาแล้วก็จะเป็นลักษณะนั้นก็ใช่ไงเห็นไหมเราเห็นไหมจากคนที่มาปฏิบัติธรรมกับชาวโศกเนี่ยหลายคนบาที่แต่งงานแต่งการมีลูกมีเต้ามาแล้วก็ยังสามารถที่โอ้ยังมีวัยหนุม่มวัยสาวอยู่เลยยังสามารถมีลูกเต้าได้อีกตั้งเยอะยังแยะเนี่ยเขาก็เริ่มลดละลงไปลดละลงไปลดละลงไปแต่เขาก็ยังเป็นสามีภรรยากันอยูอ่อาจจะมียุ่งเกี่ยวบ้าง แต่ว่ามันน้อยลงไปเรื่อยมันน้อยลงไปเรื่อยเพราะมันมีจิตที่เข้าใจความดีงามความถูกต้องแล้วก็มีความละอายแต่ยุ่งกันแล้วมันรู้สึกโอ้มันมันหยาบนะเออมันต่ำนะนั่นแหละมันจะรู้พวกนี้ย้มันก็จะลดน้อยลงมาเรื่อยลดน้อยลงเบาบางลงนี่ถ้าถ้าเป็นเข้ากระแสโลกุตระอย่างถูกต้องแล้วมันจะเบาบางจะลดน้อยลงมาเลยมันอาจจะไม่หมดในทีเดียวอ่า ทีอะโหห้ามใจเลยกัดฟันไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งอืหน้าเขียวเลยแล้ว <c oughs> ไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งแต่ว่าในสุดเอาแพ้บ้างอะไรบ้างแต่จะน้อยลงไปเรื่อยเื่อยจนในที่สุดก็เลิกลดละได้ในที่สุดะนะเอานั่นแปดเอามิติที่เก้าเนี่ยเห็นไหมพอลถไปลถไปลถไปจนมาถึงจุดนี้เนี่ยมันจะเข้าสู่นิพพานิยมหรืออรหันตนิยม มาจากพระโสดาบันเนี่ยแล้วลดลดลดลดถึถถถ ม, มุดเอาเอาเรื่องกามเรื่องเดียวนะมาเปรียบนะลดลดลงไปจากศีห้าเอาเคยแต่งงานมีครอบครัวก็ลดลงไปลดลงไปจนเอ๊ะถือสีแปดกันเถอะนะเออเว้นมันบ้างงดมันบ้างอย่าไปมีมันเลยอพอเริ่มถือสีแปดก็คราวนี้จนกระทั่งลดได้เลยยิ่งขึ้นมาถึงอนาคามีคราวนี้พอถึงขั้นอนาคามียยิ่งคราวนี้ เอาละสิอย่าว่าแต่เรื่องการแบบหยาบหยาบเรื่องคนคู่เลยแม้แต่เรื่องอาหารการกินแม้แต่เรื่องโอ้นะ่ะติดเสียงติดอร่อยไอโนนไอนี่นะอะไรที่มันเป็นการที่มันละเอียดมันเนียนขึ้นอย่างเงี้ยแม้แต่พระอนาคามีก็โอ้จับได้แล้วก็พยายามลดละลงไปอีกจนกระทั่งก็ไม่ติดไม่เป็นหลงกับ ความยินดีความพอใจความชอบต่างๆจนในที่สุดก็เข้าสู่มิติที่เก้าคือได้นิพพานหรือได้เป็นอรหรันต์นะก็เอากิเลสสิ้นเกลียนแล้วจริงๆมันน่าจะจบแล้วนะใช่ไหมถึงมิติที่เก้านี่น่าจะจบแล้วถ้าไปอาตมาอาตมาว่ามันจบแล้วล่ะเอแต่สำหรับพ่อท่านนี้ยังไม่จบเพราะมันจะต้องมีมิติที่สิบคือพุทธ ภ, ภูมินิยมหรือโพธิสัตวภูมินิยม อันมาเพิ่งเคยฟังหลังๆเนี่ยเพิ่งเคยฟังพ่อท่านใช้โพธิสัตวภูมินิยมเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเป็นถึงอรหันเนี่ยจบใช่จบโดยส่วนตนให้ดีนะพอถึงมิติที่เก้าเนี่ยส่วนตัวคุณจบแล้วถ้าคุณขึ้นมาถึงมิติที่สิบนี่คือเพื่อผู้อื่นเพื่อผู้อื่นเท่านั้นและเป็นการเพื่อผู้อื่นที่ จะทําให้ตัวเราก็ยิ่งสูงขึ้นอย่างเช่นถ้าเป็นผ้าอาหารแล้วเพราะท่านจะอธิบายบ่อยนะถ้าเป็นผ้าอาหารแล้วเนี่ยเราจบแล้วแม้แต่เกิดชาตินี้เราก็สูญสูญได้แล้วชาตินี้ไม่ต้องมามีกิเลสอะไรคองใจเราได้อีกแต่แม้อย่างนี้ใจที่ยังอยากจะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์เหบิ่งขนาดพระพุทธ เ, เจ้าเนี่ย ใจที่ท่านปรารถนาจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ขึ้นมาอีกเนี่ยมีพระมหาเมตตาการุณาอีกมากมายเลยจนกระทั่งเนี่ยทนไม่ได้หรอกที่จะแหมปล่อยให้โลกปล่อยให้ผู้คนหรือว่าสัตว์ต่างๆเอ้วช่างมันนีมันจะทุกข์ก็ให้มันทุกข์ต่อไปหรืออะไรเงี้ยไม่จะทนไม่ได้ถ้ามาถึงมิติที่สิบนี่นะ ใจอย่างนี้แหละเป็นใจที่เอาหน้าเรายอมเหน็ดเหนื่อยเรายอมลําบากเพื่อผู้อื่นเพื่อผู้อื่นเท่านั้นไม่ใช่เพื่อตนตัวเองอาจจะต้องมาทุกข์เพราะว่าบอกแล้วต่อให้เป็นพระลาหารถ้าคุณมาเกิดชาติใหม่อีกต่อไปชาติต่อต่อไปเนี่ยคุณเคยไปทําวิบากกรรมอะไรไว้คุณต้องมาใช้ทั้งนั้นแล้วก็ไม่รู้นะ่าจะเป็นชุดไหนขนาด พระโมคคัลลานะยังโดนโจมมันตีแล้วตีอีกจนตัวน่วมไปหมดถึงแก่ความตายอ้าวแต่จริงๆนะบอกโอ้โหอย่าเกิดมาอีกเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่รู้ไปเจอวิบากกรรมชุดไหนใช่ไหมโอ้โอาจจะต้องเจ็บปวดอาจจะต้องทรมานเพราะันจริงๆเนี่ยถ้าท่านดับไปเลยท่านก็สบายแล้วท่านไม่ต้องมาทุกข์อะไรอีกท่านสบายของท่านแล้วแต่นี่ยอมอีกนี่ถึงจะหมดตัวหมดตนจริงๆยอมอีกเพื่อคนอื่นก็ เรามาทําให้คนอื่นพ้นทุกข์เรายังอะไรอะ่ะมีความสามารถได้อยู่เรายังจะมาช่วยได้อยู่เอา้าก็มาช่วยก่อนเนี่ยขึ้นสู่พุทธภูมิเป็นเป็นภูมิและหมายถึงว่ากว้างเป็นพุทธะที่กว้างขึ้นเป็นพุทธะที่ที่มีที่ตั้งมีอะไรอะ่ะมีเป็นหมู่มีเป็นกลุ่มไม่ใช่โดดเดีเราคนเดียวแล้วก็จบ นะมันระดับพุทธภูมินิยมนี่จะมาสร้างหมู่กลุ่มจะมาสร้างสังคมมันเริ่มจะย้อนกลับไปละจะไม่สร้างชาตินะคราวนี้เป็นพุทธชาตินิยม <c oughs> คือไม่ใช่ชาติธรรมดาแต่เป็นชาติพุทธนะมันมันจะย้อนกลับมามาสร้างพุทธชาตินิยมให้ผู้คนนี่แหละเกิดพุทธชาติขึ้นมาคือชาตินี่คือความเกิดคือเกิดพุทธขึ้นมาจนกระทั่งพ้นทุกข์ได้ นะเอาอันนี้ก็เป็นความรักสิมิตินะถึงถึงที่สุดแล้วนะผู้ที่อยู่ในมิติที่สิบคือโพธิสัตวภูมินิยมเนี่ยเมื่อทำไปทำไปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าในที่สุดเพราะคนที่พระอรหรันต์ที่ไม่คิดจะมาเป็นโพธิสัตวภูมินิยมแล้วคือไม่คิดจะเป็นพระพุทธเจ้า แค่นั้นพอแต่ถ้าคิดจะเป็นผู้ เ, เจ้าเมื่อไหร่ปั๊บทันทีเลยก็จะต้องมาอยู่ในโพธิสัตว์ภูมิจบแล้วสิมิติก็หวังว่าไปดูว่าเรากำลังอยู่มิติไหนบ้างนะแล้วก็พยายามทำแล้วกันให้มันสูงสูงยิ่งขึ้นไปอา่าวันนี้ของพอเท่านี้นะ